ประไตรปิฎกเล่มที่เกพระสูตรที่ส2องโลหิตจะสูตรศา ส, สดาที่ควรถูกทักท้วงสามประเภทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านสารวัติกาสมัยนั้นโลหิตจะพราหม์ปกครองหมู่บ้านสารวัติกาเป็นพระราชซั์ที่พระเจ้าประสานที่โกศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้ สมัยนั้นโลหิตจพรามมีความคิดเห็นชั่วร้ายเกิดขึ้นว่าสมณะหรือพรามในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจาเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจาใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้าย เพราะไม่มีผู้รับคําสอนใดจะช่วยผู้สอนได้โลหิตจพรามได้ฟังข่าวว่าพระสมณะโคโดมเป็นสักยะบุตรเสด็จจ้ารกษ์อยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสองหมูใหญ่ท่านพระโคโดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงที่นั้นโลหิตจพรามเรียกช่างกลระบกชื่อโรสิกะ มาสั่งให้ไปนิมนต์พระผู้มีพระภาคได้โปรดทรงรับปัตตาหารของโลหิตพราหมณในวันพรุ่งนี้เขาเดินทางไปตามคำสั่งซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยอาการดุษณีตอนเช้าพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านสารวัติกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โรสิกาการระบบตามเสด็จไปเบื้องพระปริสดางกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลหิตพราห ม, มีความคิดเห็นชั่วร้ายเกิดขึ้นว่าสมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นถือเป็นความโลภอันชั่วร้ายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานว่าโรกาธเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงปลดเปลื้องโลหิตพราหมณ์ออกจากความคิดเห็นอันชั่วร้ายนั้นด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโรสิกะนั่นเป็นหน้าที่ของเราเมื่อพระผู้มีพระภาคสวยเสร็จทรงวางพระหัตต์โลหิตจพรามจึงนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งตาำกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามโลหิตจพรามว่าโลหิตจะทราบว่าท่านมีความคิดเห็นว่าสมณะหรือพรามในโลกนี้จะพึงบรรลุกุสลธรรม เมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะไม่มีผู้รับคําสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจําเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจําใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคําสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ดังนี้เป็นความจริงหรือเขา้าทูลตอบว่าจริงอย่างนั้นท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโลหิตจท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรท่านปกครองหมู่บ้านสาลวัติกามิใช่หรือเขาทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าโลหิตจผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลหิตจพรามณ์ปกครองหมู่บ้านสาลวัติกาก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในหมู่บ้านสาลวัติกาแต่เพียงผู้เดียว ไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้จะชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่คนที่อาศัยท่านเลี้ยงชีพใช้หรือไม่เขาทูลตอบว่าชื่อว่าทำความเบือดร้อนให้ท่านพระโพดมพระผู้มีพระภาคตรถามตอไปว่าเมื่อทาความเดือดร้อนให้จะชื่อว่าวังประโยชน์หรือไม่วังประโยชน์ต่อคนเหล่านั้นเขาทูลตอบว่า ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าผู้ไม่หวังประโยชน์จะชื่อว่ามีเมตตาจิตหรือชื่อว่าคิดเป็นศัตรูกับคนเหล่านั้นเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าคิดเป็นศัตรูท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าเมื่อคิดเป็นศัตรูจะชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฐิ หรือสัมมาทิฏฐิเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกาเนิดเดรัจฉานพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าโลหิตะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร พระเจ้าประเสริฐทีโกศลทรงปกครองแคว้นกาสีกับแคว้นโกศลไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัฐทานต่อไปว่าโลหิตจะผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าประเสริฐทีโกศลทรงปกครองแคว้นกาสีกับแคว้นโกศลพระองค์ก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในแคว้นทั้งสองแต่เพียงลําพังไม่ควรพระราชทานให้แก่ผู้อื่น ผู้ที่กล่าวอย่างนี้จะชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่ท่านและแก่คนอื่นซึ่งอาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระองค์เลี้ยงชีพใช่หรือไม่เขาทูลตอบว่าชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้ท่านพระโกดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าเมื่อทำความเดือดร้อนให้จะชื่อว่าหวังประโยชน์หรือไม่หวังประโยชน์ต่อคนเหล่านั้น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 ก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในหมู่บ้านสารวัติกาแต่เพียงผู้เดียวไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่คนที่อาศัยท่านเลี้ยงชีพเมื่อทำความเดือดร้อนให้ก็ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ผู้ไม่หวังประโยชน์ก็ชื่อว่าคิดเป็นศัตรูเมื่อคิดเป็นศัตรูก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฐิโลหิตจะ คนที่กล่าวว่าพระเจ้าเปรียญที่โกศนทรงปกครองแคว้นกาสีกับแคว้นโคศนพระองค์ก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในแคว้นทั้งสองแต่เพียงลําพังไม่ควรพระราชทานให้แก่ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่าทําความเดือดร้อนให้แก่ท่านและแก่คนอื่นซึ่งอาศัยพระบรมมโพธถที่สมทานของพระองค์เลี้ยงชีพเมื่อทําความเดือดร้อนให้ก็ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์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 สร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่เหล่ากุลบุตรผู้อาศัยธรรมวินัยที่เราแสดงแล้วบรรลุกุลวิเศษคือทาให้แจ้งโสดาปฏิผลบ้างทำให้แจ้งสกดทาคามิผลบ้าง ทำให้แจ้งอนาคามิผลบ้างทำให้แจ้งอรหัตผลบ้างและชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่เหล่ากุลบุตรผู้อบรมคุณธรรมให้แก่กล้าเพื่อบังเกิดในพพอันเป็นทิพย์ยิ่งขึ้นไปเมื่อทำความเดือดร้อนให้ก็ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ผู้ไม่หวังประโยชน์ก็ชื่อว่าคิดเป็นศัตรูเมื่อคิดเป็นศัตรูก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานศา ส, สดาที่สมควรถูกทักท้วงสามประเภทโลหิตจักศาสดาสามประเภทต่อไปนี้สมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาเห็นปานนั้นก็จัดว่าจริง แท้เป็นธรรมไม่มีโทษศาสดาสามประเภทเป็นเช่นไรคือโลหิตจศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านสาวกของเขาจึงไม่ตั้งใจฟัง ไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเปรียบเหมือนบุรุษที่ประชิด ต, ตัวสตรีผู้กําลังถอยหนีหรือเปรียบเหมือนบุรุษสวมกอดสตรีที่หันหลังให้ข้ออุปมาอันนี้ก็เช่นกันเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้นี่คือศาสดาประเภทที่หนึ่งซึ่งสมควรถูกทักท้วง ทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษยังมีอีกโลหิตจากศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณนะทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณนะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่า เรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านสาวกของเขาก็ตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะรู้และไม่หลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคําสั่งสอนเปรียบเหมือนคนผู้ละเลยนาของตนเข้าใจนาของผู้อื่นว่าเป็นที่อันตนควรบํารุงข้ออุปมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคําสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ นี่คือศาสดาประเภทที่สองซึ่งสมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศา ส, สดาประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษยังมีอีกโลหิตจักศาสนาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณนะครั้บนบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณนะแล้วก็แสดงธรรมสอนสาวกว่า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 นี้คือศาสดาประเภทที่สซึ่งสมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษโลหิตจักศาสดาสามประเภทเหล่านี้แลสมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาเห็นปานนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษ ศา ส, สดาที่ไม่สมควรถูกทักท้วงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้โลหิต จ, จพรามทุลถามว่าท่านพระโคโดมศา ส, สดาซึ่งไม่สมควรถูกทักท้วงมีบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลหิตจาศาสนาซึ่งไม่สมควรถูกทักท้วงมีอยู่เขาทูลถามว่าศา ส, สดาประเภทนี้เป็นเช่นไรท่านพระโคโดม พระผู้มีพระภาตรัสตอบว่าโลหิจตจตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบสำหรับส่วนนี้ความเต็มเหมือนในสามัญญพลสูตรนะครับภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลบรรลุปฐมฌานอยู่บรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตัติยฌานอยู่บรรลุจตุตถาฌานอยู่น้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะ รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ต่อไปโลหิตจะศาสดาที่สาวกได้บรรลุกุณในวิเศษอันยอดเยี่ยมเห็นป่านนี้ไม่สมควรถูกทักท้วงการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาหเห็นป่านนี้ก็จัดว่าไม่จริงไม่แท้ไม่เป็นธรรมมีโทษเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้โลหิตพราหมณได้กราบทูลว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์กำลังจะตกเหวคือนรกแต่ท่านพระโคดมช่วยฉุดให้กลับขึ้นมายืนอยู่บนที่มัน่นเปรียบเหมือนคนผู้หนึ่งคว้าผมของอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังจะตกเหวแล้วฉุดให้กลับขึ้นมายืนอยู่บนที่มัน่นข้าแต่พระโคดมภาษสิทิ์ของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่าง